50 Languages 98กทีสันทานซ้อนสันทานอิร็ตไตยยเร็ตพิกลการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปประยาณ์นั่งร่างยืน ด, ดั่ด อ, อ่านเอาลุงมีกมุมคดัยพูดถวดายเขา อ, อีรัน ด, ดั่งดูรถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปรถไฟวันดีสมัยอัติรักวันเดียวิตาดู อ, อ่านเอาลุงมีกมุมขูดตั้มโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปทางกุง้ a วออดดออิ่ง h i ว่าสติยาเขาอีรัน ด, ดั่งดูอ่านเอาลุงมีกมุมวิเล เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ เ, เ, เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เชา้ า, า, า, า, า, าเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม อว ய ம ் ந ம สมัย ன มน ங ำ ม, มุดัน் அ ல งก த นอிลு த ிวิดด த ล் க ுงก ன ்เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษอวันสเปนิชมัตทรูม อ, อังกิลมีรันด์โมดิคัลย์ยมพูดกีรัลเธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนอวันมาดริดมัตทรูมลอนด์มีรันด์ยีดที่ลงบัสติกีรัล เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ เ, เ, กเขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วยว เ, เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วย เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยเขาเยอรมันโมดีมัตต์มัลล์เฟรนช์โมดีปูดะเพสบอลดีฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ எனக்கு பியானோ அல்லது க ி piano, guitar, u ் t ா r ் இரண்டுமே வ ா ச ி க ் க த ข์เทรียาดดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้าเยนักวอลต์สนาดันม்ัลลัดสัมบ้านาดันม์อีรันด์เมื่อออดเทรีดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่เยนักอิสเอย์นอัดกัมัลลัเล์นาดั்ม์อีรันด์เมื่อ ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นนี้เย็บบล๊อตเวกามากะเวเล่เซียกิรายโยอปบล๊อตซีกิรัมบูดิพตุวิรุายยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นเย็ล๊อตมุนนาดาห์นีวริกรายโอปล๊อตมุนนาดาห์นีธิริมบิโัลลมคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียดคราญขึ้นเท่านั้นวัวนีก็ไว้ด้วยกัออกอบลวบุ๊คอบลวุทริปทิมิกกวน้อาออกิร้าน